การที่พวกเราจะได้รับประโยชน์อันมหาศาลอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วเราจะได้มีความตั้งใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ศึกษาและเราได้ปฏิบัติเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติ ผลก็คือการบรรลุทำขั้นต่างๆบรรลุมากผลนิพพานบรรลุการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายบรรลุการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นจะต้องมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าว่า มีจริงว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลที่ได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้ปฏิบัติจนทำให้จิตใจของท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีความเชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนที่จะยังผู้ปฏิบัติให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมีศรัทธาความเชื่อในพระอริยสงสาวรของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะสั่งสอนผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นี่คือสิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาที่จะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธศาสนา จะมอบให้ก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆจำเป็นต้องเชื่อว่าพระพุทธพธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงและสามารถนำผู้ปฏิบัติให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอน เราะว่าถ้าเราไม่มีความเชื่อเรานั่งเลยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เราก็จะไม่มีความมั่นใจเราอาจจะระแวงสงสัยว่าจะถูกหลอกหรือเปล่าดังมีความคิดเห็นของคนบางคนบางกลุ่มที่คิดว่าคําสอนของพระพุทธศาสนา เป็นคำสอนเพื่อหลอกให้ทําความดีไปแต่ไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์หรือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทําได้อย่างมากก็คือเป็นคนดีแต่ตายไปก็เหมือนกับคนไม่ดีไม่มีผลอะไรแตกต่างกันเพราะเขาไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ไปรับผล ของการทําความดีใครเป็นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานใครเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเขาไม่รู้เพราะเขามองไม่เห็นผู้ที่หลุดพ้นผู้ที่ไปใบรับผลของการปฏิบัติเขาเห็นแต่ร่างกายที่ พอตายไปแล้วก็จะกลายเป็นดินน้ำหลงใายไปเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปเขาก็เลยไม่เชื่อว่ า, าจะมีผลแตกต่างกันอย่างไรนี่กับคนที่ปฏิบัติกับคนที่ไม่ปฏิบัติ กับคนที่ทําความดีกับคนที่ไม่ทําความดีต่างกันก็ต้องในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าทําความดีก็ไม่ติดคุกติดตารางถ้าทําไม่ดีก็ติดคุกติดตารางได้เท่านั้นเองเขาเห็นว่าหลังจากที่ตายไปแล้วก็คือมีผลเท่ากันอันนี้ แสดงว่าไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และไม่รู้ว่าผู้ที่จะเป็นผู้ได้รับอนิสงส์ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจากการปฏิบัติตามคำสอนของระพุทธเจ้านี้เป็นใครเพราะเขาไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดอย่างถ่องแท้เพียงแต่ฟังแบบคร่าวๆว่า ศาสนาพุทธสอนให้ทำดีละบาปให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เขาก็ไม่เข้าใจคำว่าใจบริสุทธิ์นี้เป็นอย่างไรและใครเป็นใจเขาก็คิดว่าใจก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นบางคนก็คิดว่าเป็นสมองเพราะคิดว่าสมองเป็นที่ มีความคิดออกมาความคิดต่างๆออกมาจากทางสมองเพราะเวลาที่สมองมีเป็นอะไรไปผู้ที่ผู้ที่มีโรคทางสมองก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้ก็เลยคิดว่าใจเป็นสมองและเวลาที่ตายไปสมองก็ตายไป ใจก็ตายไปก็เลยไม่มีใครไปหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีใครหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเรามาศึกษากันอย่างละเอียดละออนต้องศึกษามากๆศึกษาบ่อยๆและต้องศึกษาจากแหล่งที่เป็นของแท้ของจริงคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ ถ้าได้ฟังจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเองหรือถ้าได้รับฟังจากพระอริยสงสาวกทั้งหลายเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยาแต่ถ้าเราไปศึกษาจากผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นพระอริยสงสาวกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราจะได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปได้ทำให้เรา ไม่เห็นความเป็นจริงได้ทําให้เรามีความสงสัยดังเลยได้ดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมมักจะไปศึกษากับผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลหรือไม่เท่านั้นก็ศึกษาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอย่างนี้ก็จะทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแต่การศึกษาเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอการศึกษานี้เป็นเพียงการจุดประกายความศรัทธาความเชื่อให้เกิดขึ้นเหมือนกับเราเวลาไปหาหมอ เราก็ต้องมีศรัทธาในตัวหมอในวิธีการรักษาของหมอผู้ที่จุดประกายให้เรามีศรัทธาเชื่อหมอก็คือผู้ที่เคยไปรักษาโรคจากหมอแล้วแนะนำว่าไปรักษากับหมอคนนี้แล้วจะหายเราก็เลยมีศรัทธาความเชื่อที่จะไปหาหมอแต่เราจะ เชื่อได้อย่างร้อยเปอร์ก็ต่อเมื่อเราทําตามที่หมอสั่งหมอให้ยามารับประทานเราก็รับประทานตามที่หมอสั่งพอเรารับประทานแล้วเราก็จะเห็นผลว่าหายหรือไม่หายถ้าหายเราก็จะเชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซนว่าหมอนี้เก่งหมอนี้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ให้กับเราได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความมั่นใจในตัวหมอเวลาหมอให้ยาเรามารับประทานถ้าเรายังลังเลยังไม่อยากจะรับประทานไม่กล้ารับประทานกลัวว่ารับประทานแล้วจะเป็นภัยอันตรายกับชีวิตถ้าไม่รับประทานก็จะยังไม่รู้ว่ายาที่หมอให้มานี้ เป็นยาที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายได้หรือไม่แต่ถ้ารับประทานแล้วเริ่มเห็นผลแม้ยังไม่หายแบบเต็มที่แต่อาการดีขึ้นไปตามลาดับเราก็จะเกิดมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปจะยินดีที่จะรับประทานยาที่หมอ ม, มอบให้สั่งให้รับประทานอย่างเต็มที่อย่างเต็มใจ ในการที่เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็เป็นการเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การปฏิบัตินะรถ้าเรายังไม่ปฏิบัติเราเพียงแต่ศึกษาไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็เหมือนกับการที่เราไปหาหมอแล้วรับยามาจากหมอแต่เรายังไม่ยอมรับประทานไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอันใด ก็แล้วแต่แต่ถ้ายังไม่ได้รับประทานยาก็แสดงก็ยังจะไม่รู้ว่ายาที่รักษานี้ทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายได้หรือไม่หรือว่ายังไม่อยากให้โรคภัยไข้เจ็บหายยังอยากจะทุกข์ต่อไปยังอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเบิกเงินได้เบิกเบี้เลี้ยงได้เบิกค่ารักษาได้ ถ้าหายแล้วเบิกไม่ได้ก็เลยไม่ไม่กินดีกว่าจะได้ไปเบิกอยู่เรื่อยๆว่าโลกยังไม่หายพวกที่ฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่ยอมปฏิบัติตามก็เป็นเหมือนพวกที่ยังยังไม่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เพวกยังอยากจะหาความสุขจากความทุกข์ต่างๆอยู่ หาความสุขจากหาความทุกจากราบยศสรรเสริญคือได้ได้ความสุขด้วยแล้วได้ความทุกข์ด้วยยังยินดีที่จะทุกกับราบยศสรสสรเ ส, สริญกับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่า ah, ถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์แต่ก็ยังมีความสุขอยู่นี่ก็อาจจะเป็นเหตุที่ได้ศึกษากันมามากมายก่ายกอง แต่ยังไม่ยอมปฏิบัติกันเพราะยังอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เพราะผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ต้องยุติการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ เป็นความสุขเดียวๆปลาที่ไม่ฉลาดปลาที่โง่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็คิดว่าเป็นอาหารนันโอชาก็เลยฮุบเหยื่อนั้นเข้าปากพอฮุบ้าไปในปากก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากทีนี้ความสุขนั้นที่ได้จากการฮุบเหยื่อก็หายไปนี่เหลือแต่ความเจ็บปวดที่เกิดจากตะขอเบ็ดเกี่ยวปากและ เมื่อเขาลากขึ้นไปจากน้ำก็ถูกเขาเอาไปฆ่าแกงเสียชีวิตไปผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติยังไม่ยินดีที่จะปฏิบัติเพราะยังมีความรักความชอบในการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้ต่อให้ฟังเทศฟังธรรมมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังจะไม่ได้รับประโยชน์แต่ถ้าลองนำเอาไปปฏิบัติแล้วพอได้รับผลขึ้นมา แม้แต่เพียงครั้งเดียวและไม่นไม่นานเช่นแค่งูแลบลิ้นหรือฟ้าแลบคือจิตสงบได้เนี่จะเห็นความมหัศจรรย์ของความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าลองได้สัมผัสกับความสุขอันมหัศจรรย์นี้แล้วเออ ก็จะทำให้มีความยินดีที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่ยินดีกับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไปก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติเพื่อให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นถ้าอยากจะก้าวหน้าอยากจะพัฒนาไปในทางธรรมก็ต้องออกปฏิบัติกันยังไม่ต้องออกปฏิบัติเต็มรูปแบบก็ได้ให้หาเวลามาปฏิบัติกันเพื่อให้ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเพียงสักครั้งเดียว ขอให้ได้ชิมรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงนี้ว่าเป็นอย่างไรการที่จะได้ดิมรสนี้ก็ต้องมีเวลาออกมาปฏิบัตินะมาปรีกวิเวก อ, อ, อยู่ตามลำพังสละลาบยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปชั่วคราวนะแล้วมาเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดต่างๆ ที่ทําให้จิตใจวุ่นวายจิตใจฟุง้งซ่านจิตใจไม่สงบถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งต่อไปสความคิดปรุงแต่งก็จะหยุดพอหยุดแล้วก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมรสของความสงบที่เหนือกว่ารสทั้งปวงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงะ ถ้าลองได้สัมผัสกับโนตแห่งธรรมนี้แล้วเพียงครั้งเดียวจะเกิดมีฉันทาวิรยิยะจิตตวิมังสาขึ้นมาทันทีจะเกิดมีอิทธิบาสสีทมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จถ้าผู้ใดมีอิทธิบาทสีแล้วจะสามารถทาสิ่งที่ตนเองต้องการให้เกิดผลขึ้นมาได้อย่างแน่นอน การจะเกิดอิทธิบาสสี่ขึ้นมาไดา้ก็ต้องเกิดจากการที่ได้สัมผัสรถแห่งธรรมเป็นเป็นตัวอย่างริมรถเหมือนกับเวลาที่เราไปรับประทานอาหารที่เราไม่เคยรับประทานกันตอนต้นเราก็ไม่กล้าสั่งมาทางร้านเขาก็เลยเอาอาหารตัวอย่างมาให้ชิมคำสองคาพอได้ชิมริมรถของอาหารที่เขา ทำแล้วพอเห็นว่าอาร่อยอร่อยนะ่ารับประทานก็จะสั่งมาทันทีเะฉะนั้นตอนนี้ขอให้พวกเราลองมาชิมกันก่อนอถ้ายังไม่สามารถที่จ ะ, ะปฏิบัติได้เต็มรูปแบบก็หาเวลาว่า ง, างๆเช่นในช่วงวันหยุดต่างๆเช่นปลายปีนี้ก็มีวันหยุดสี่วันหยุด แทนที่เราจะไปเที่ยวหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราลองไปหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมกันเถอะดีไม่ดีเราอาจจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมขึ้นมาแล้วถ้าเราได้ลองสัมผัสแล้วรับรองได้ว่าจะติดใจเพราะรถแห่งธรรมนี้ชนะรถทั้งปวงจริงๆเอพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันแล้วพระอริยสงสาวกทั้งหลาย ท่านก็เป็นผู้ยืนยันแล้วพอท่านได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมแล้วนี่ท่านก็สละรสของความสุขชนิดอื่นไปหมดท่านสละรสของลาบยศสรรเสริญรสของรูปเสียงกลิ่นรถไปเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับรสแห่งธรรมแล้วนี่เป็นเหมือนฟ้ากับดินนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ ผู้ที่ปรารถนาะที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธศสาสนาจะต้องอทำให้ได้ถ้าไม่ทำไม่เพียงแต่ฟังเฉยๆนี่มันยังไม่พอการฟังนี้เพื่อให้เราได้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้รู้ว่ามีสิ่งที่วิเศษกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในขณะนี้ให้รู้ว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุข ที่พวกเรามีการอยู่ขณะนี้มีอยู่มีอยู่ในตัวเรานี้เองและจะเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติปฏิบัติตามที่พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติดังนั้นมันก็อยู่ตรงที่คำว่าปฏิบัตินี้เองเมื่อศึกษาแล้วปริยัตแล้วขั้นที่สองก็คือปฏิบัติ เพราะว่าถ้า ศ, ศึกษาแล้วปริยัตแล้วแต่ไม่ปฏิบัติมันก็ไปขั้นที่สามไม่ได้ขั้นที่สามก็คือปฏิเวทการมรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติเระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิเวทกันเพราะท่านได้ปฏิบัติกันและก่อนที่ท่านปฏิบัติท่านก็ได้ศึกษากันไม่มีใครที่จะทำ และเว้นขั้นตอนเหล่านี้ได้ขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นเหมือนลูกโซ่เป็นเหมือนขั้นบันไดที่จะต้องผ่านไปเป็นขั้นๆ ข, ขั้นที่หนึ่งต้องศึกษาว่ามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้หรือไม่พอเราได้ศึกษาจากผู้ที่เขามีแล้วเขาก็บอกว่ามีมีรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเมื่อมีแล้ว เราก็ต้องศึกษาต่อไปว่าแล้วเราจะทำไงถึงจะได้รถแห่งธรรมนี้มาก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติตามที่ผู้ที่ได้รถแห่งธรรมมาเขาปฏิบัติกัน<ม>แล้วพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็ทำทานในเบื้องต้นท่านก็สละราชสมบัตินะเพราะท่านเห็นว่าความสุขที่ได้จาก่ า, าบยศจารสญ ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการหาความสุขทางธรรมถ้าอยากจะหาความสุขทางธรรมก็ต้องยุติการหาความสุขทางลาบยศ ส, สรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสก็เลยสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละลาบยศ ส, สรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมกูกดินกาย เพื่อที่จะได้ไปสร้างความสุขทางทางธรรมสร้างรถแห่งธรรมที่ชนะลถทังกลวงนี้เพราะถ้ายังติดอยู่กับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกล่นลถปวดเถภาก็จะไม่สามารถไปหาความสุขทางธรรมได้เช่นวันหยุดสี่วันนี้เรามีทางเลือกว่าเราจะไปทางไหนกัน เราจะไปหาความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ได้เราก็ไปเที่ยวกันจองตั๋วจองที่พักกันเดี๋ยวพอถึงวันที่สามสิบเอ็ดเราก็ออกเดินทางกันครับไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆกันเราก็จะถ้าเราทําอย่างนี้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปปลีกวิเวก ไปอยู่ตามลำพังไปสำรวมอินทรียสำรวมตาหูจมูกม้นกายไปถือเนคข ม, มะศีเนคข ม, มะคือละเว้นการหาความสุขทางร่างกายด้วยการถือศีลแปดแล้วก็จเจริญสติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไม่ให้ จิตใจคิดไปตามเรื่องต่างๆพยายามดึงไว้หยุดไว้ด้วยการเจริญสติแบบใดแบบหนึ่งเช่นคําบริกรรมพุทโธพุทโธก็จะสามารถดึงความคิดไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้หรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายจดจ่ออยู่กับการกระทําของร่างกายไม่ว่ากําลังทําอะไร ก็ให้อยู่กับการกระทานั้นเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าสามารถควบคุมความคิดได้เวลานั่งเฉยๆนั่งหลับตาจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือจะบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ถ้ามีสติที่มีกําลังก็จะสามารถควบคุมใจให้อยู่กับการดูลมหายใจเพียงอย่างเดียว หรืออยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวถ้าสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องไม่นาน5้านาทีสิบนาทีนี้จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วรถแห่งธรรมที่ชนะรถทางปวงก็จะปรากฏขึ้นมาให้ได้สัมผัสพอได้สัมผัสแล้วทีนี้ก็จะมีความเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งสอนนั้นเป็นความจริง ทำที่พระเจ้าได้บรรลุถึงก็เป็นความจริงทำที่พระอริยสงสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงก็เป็นความจริงเป็นของที่เรากําลังได้สัมผัสแล้วในตอนนี้ในขณะที่จิตสงบในขณะที่เราได้พบกับความสุขอันมหัศจรรย์นี้แม้จะเป็นเพียงชืวว่อแวบเดียวเพราะในการปฏิบัติขั้นแรกๆนี้จิตจะอยู่ได้สงบได้ไม่นาน เนื่องจากกําลังของสตินี้ยังมีไม่มากพอสติกําลังของสติยังสู้กําลังของความอยากต่างๆไม่ได้แต่มีกําลังพอที่จะหยุดได้ชั่วขณะหนึ่งที่เรียกว่าคณิกะสมาธิเได้เพียงชั่วขณะหนึ่งแต่ก็เป็นผลอันประเสริฐอันประอันประหลาดมาหาสัจ์ใจอย่างยิ่ง ที่จะติดตาติดใจไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดที่จะทำให้เกิดฉันทะวิริยะกิตตะวิมังสาที่จะหาเวลาเพื่อมาสร้างความสุขแบบนี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปถ้าได้ลองได้สัมผัสกับผลแห่งการปฏิบัติธรรมแล้วเพียงครั้งเดียวก็จะมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากการที่เคยหา ความสุขจากราบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณพะก็จะหันมาหาความสุขทางความสงบนี้มีเวลาว่างเมื่อไหร่แทนที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะมาหาความสุขจากความสงบแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะยุติการ ทำงานทำการถ้าสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทำงานทำการเพราะว่าสิ่งที่จะต้องใช้ก็เพียงแค่ปัจจัยสี่เท่านั้นถ้าเราไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เราจะไม่มีค่าใช้จ่ายมากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่หมดไปนี้หมดไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ค่าใช้ใจ่ายที่มีไว้สาหรับใช้ในการเลี้ยงปากเลี้ยงทางนี้มีไม่มากยิ่งถ้าเราได้เริ่มปฏิบัติทำแล้วยิ่งใช้น้อยมากกินวันละมื้อก็อยู่ได้และเป็นประโยชน์ด้วยกับผู้ปฏิบัติเพื่อความสงบเพราะถ้ากินมากมากมา ก, ก็เสียเวลาสองก็ทำให้จิตต้องมาผวาวงกับการกินอยู่เรื่อยๆถ้ากินหนเดียวกินครั้งเดียวกินไม่มาก ก็ไม่ต้องมากังวลมาพผวางกับการหากินแล้วก็จะมีเวลาปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้นแล้วก็จะกําจัดปัญหาเรื่องของการง่วงเหงาเหานอนไปได้กินน้อยๆท้องไม่ไม่อิ่มมากเกินไปท้องหนังท้องไม่ตึงหนังตาก็จะไม่หย่อนความง่วงเหงาเหานอนก็จะไม่มีสาหรับผู้ที่รับประทานอาหารพอประมาณ ถ้าได้สะสมได้มีเงินทองเก็บไว้อยู่บางส่วนและคิดว่าสามารถอยู่ได้เป็นระยะเวลานา น, านพอสมควร<ม>ก็อาจจะคิดลาออกจากงานไปก็ได้เพราะการไปทำงานก็ไปหาเงินหาเงินเพื่อมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายแต่เมื่อเราได้สัมผัสกับความสุขทางใจแล้วเราไม่ต้องการที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกดิ้งกายแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาเงินมาทำไมถ้าเงินที่เรามีอยู่นี้มันพอที่จะเลีเ้ยงปากเลี้ยงท้องเราได้ไปในได้ในระยะเวลาอันพออันยาวพอสมควรเราก็สู้หยุดการทำงานดีกว่าแล้วเอาเวลามาปฏิบัติมาสร้างความสงบมาสร้างความสุขทางใจกันดีกว่า ถ้าเราปฏิบัติจริงๆปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบคือทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเออเวลาตื่นขึ้นมานี้ก็จะเจริญสติเป็นหลักครับแล้วทํากิจกรรมอะไรก็ทําเท่าที่จําเป็นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอาบน้ําอาบท่าซักเสื้อผ้าไปป่าบ้านถูบ้านไปเสร็จแล้วในขณะที่ทําก็มีสติอยู่กับการกระทํา ไม่ปล่อยให้จิตคิดถึงคนน่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะถ้าเผลอปล่อยไปแล้วจะเกิดความโหยหวนขึ้นมาจะเกิดความหิวอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทําให้ทุกข์ทรมานใจ แต่ถ้าสามารถหยุดความคิดที่จะพิิที่จะหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ่นกายได้ความทุกข์ก็จะไม่มีจิตก็จะมีความเพลิดเพลินอยู่กับการเจริญสติแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบมีความสุขพอออกจากสมาธิมาก็จเจริญสติต่อไปหรือไม่เช่นนั้นก็เอาหนังสือธรรมมาอ่านเพื่อเสริมปัญญา ให้รู้วิธีเจริญปัญญาว่าจะต้องเจริญอย่างไรอันนี้ก็สามารถพิจารณาไปตามความเหมาะสมถ้าสติยังมีกำลังไม่มากพออยากจะเจริญสติไปก่อนกจ็จะเจริญสติไปก่อนให้สติมีกำลังมากขึ้นให้เผลอน้อยลงให้เวลานั่งสมาธินี้ให้สงบเร็วขึ้นแล้วกส็สงบได้นานขึ้น จนสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการถ้าอย่างนั้นแล้วก็แสดงว่าสติมีกําลังมากแล้วก็สามารถสลับจากการจเจริญสติมาจเจริญปัญญาได้มาพิจารณาธรรมต่างๆที่จิตยังไปติดอยู่ไปหลงอยู่ที่ยังทำให้จิตต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นการที่จะทำให้จิตไม่ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆ ก็ต้องพิจารณาตามหลักความเป็นจริงของสิ่งต่างๆว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องกลายเป็นของคนอื่นไปได้มาแล้วก็ต้องจากเราไปมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เขาไม่เสื่อมไปอยากให้เขาเป็นของเราไปตลอด พอเขาไม่เป็นตามความอยากความทุกข์ก็จะตามมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เรายึดไม่ได้ถือไม่ได้ว่าเป็นของเราเราก็ไม่ยึดไม่ถือเราก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาพอเขาเปลี่ยนไปเราก็ไม่ทุกข์พอเขาดับไปเราก็ไม่ทุกข์พอเขาจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์หรือเวลาที่เราจากเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์ เพราเรามีปัญญามีความฉลาดแล้วเรามีกำลังที่จะปล่อยคือมีสมาธิถ้าเรามีปัญญาแต่เราไม่มีสมาธิเรายังจะปล่อยไม่ได้เรายังปรงไม่ได้หยุดไม่ได้แต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราหยุดได้หยุดความอยากได้หยุดความยึดติดได้เพราะรู้ด้วยปัญญาว่าถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เขาไม่เปลี่ยนไม่ดับ ก็จะทำให้เราทุกข์ใจถ้าเราไม่ต้องการทุกข์ใจเราก็ต้องหยุดใจของเราไม่ให้ไปอยากให้เขาไม่ดับไม่อยากให้เขาไปอยากให้เขาไม่จากเราไปอันนี้ต้องมีสมาธิก่อนถึงจเจริญปัญญาถึงจะได้ผลดีถ้าจเจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธินี้จะไม่สามารถหยุดความอยากดับความทุกข์ได้ เพราะไม่มีกําลังที่จะหยุดต้องมาสร้างกําลังให้หยุดความอยากให้ได้ก่อนการทําสมาธินี้เป็นการหยุดความอยากชั่วคราวแสดงว่าเรามีกําลังหยุดความอยากแล้วแล้วถ้าเราใช้ปัญญาสอนให้เห็นโทษของการทําตามความอยากเราก็จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรเพราะเราจะเห็นความอยากนี้เป็นข้าศึกสับเปของเราทันที จะเห็นว่าความอย่างนี้เป็นต้นเหตุที่มาทำให้เราทุกข์ใจทันทีเมื่อเราไม่ต้องการความทุกข์ใจเราจะประหยากทาไมอันนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติถ้าลองเราได้สัมผัสกับความสงบเพียงครั้งเดียวแล้วเราจะเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนทางเดินของเราทันที คอยหาความสุขจากลาบยศสนเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเปลี่ยนเป็นมาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติสติสมาธิปัญญ า, า, ญญา<ม>ก็ต้องมีเวลาถ้าอยากจะมีเวลาปฏิบัติก็ต้องหยุดการทำงานทำมาหากินเลี้ยงหากินเพื่อหาเงินมาซื้อความสุขกัน หาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อยู่ถ้าไม่มีถ้ามีพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็ควรจะหยุดถ้าอยู่แบบนักปฏิบัตินี้ใช้เงินไม่มากอาหารมือละห้าสิบบาทก็อยู่ได้กินข้าวเยอะๆหน่อยกินน้ำเยอะๆหน่อย เนื้อเ้อะไรกินให้มันน้อยหน่อยกินของถูกๆห้าสิบบาทนี่ก็อยู่ได้กินให้มันอิ่มท้องเท่านั้นน่ะไม่ได้กินเพื่ออะไรนะกินเพื่อดับความหิวที่เรากินของแพงๆเพราะเรากินเพื่อรสชาติกันมากกว่ากินของมันๆหวานๆมันมันแพงของพวกนี้ยิ่งของสั่งมาจากเมืองนอกยิ่งแพงใหญ่เนมันก็อิ่มเหมือนกันมันก็ดับความหิวได้เหมือนกัน แต่มันดับด้วยราคาที่แพงกว่าถ้ากินแบบนักปฏิบัตินี่กินน้อยๆกินพอให้มันไม่หิวก็พอกินมากก็ไม่ดีกินมากก็ทำให้ง่วงนอนทำให้ขี้เกียจเองเพราะอิ่มแล้วก็อยากจะหาหมอนแทนที่หาทางจงกรมก็หาหมอนกันแต่ถ้ากินไม่อิ่มกินพอให้ไม่ให้หิวนี่มันก็จะไม่ขี้เกียจมันก็จะเดินจงกรมตัวเบาไปเลยเวลานั่งสมาธิก็ ตัวนี้แข็งตรงไม่งอไม่หยิกไม่คว่ำเไม่ง่วงไม่สับประงกถ้ามีสตินั่งไปเดี๋ยวเดียวจิตก็สงบแล้วก็จะมีความสุขทางใจที่เหนือกว่าความสุขทางร่างกายทำให้ความความสุขที่เราไม่ได้จากทางร่างกายเหมือนเมื่อก่อนนี้หมดความหมายไปเพราะความสุขที่เราได้จากทางใจนี้มันยิ่งใหญ่กว่ามันดีกว่า แล้วจะทำให้เราลืมความสุขที่เราเคยหามาเลยความสุขจากการไปเที่ยวเช่นเนี่ยวันหยุดสี่วันปีใหม่เนี่ยจะไปเที่ยวไหนกันดีแต่ถ้าลองได้พบกับความสงบแล้วจะไม่คิดถึงมันอีกเลยไปอยู่วัดดีกว่าไปหาที่สงบไปภาวนาไปทำจิตใจให้สงบดีกว่านะพอได้ปฏิบัติอย่างนี้ไปแล้วมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ จากสติก็ไปสู่สมาธิจากสมาธิก็ไปสู่ปัญญาพอได้เข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วทีนี้มันก็จะไปขั้นบรรลุแล้วสิบรรลุขั้นอริยบุคคลขั้นต่างๆแล้วพอได้ปัญญาแล้วขั้นแรกก็จะได้โสดาบันนะจากโสดาบันก็จะได้สกิดาคามีจากสกิดาคามีก็จะได้อนาคามี จากอนาคามีก็จะได้อาหาันเนี่ยมันต้องได้ปัญญาถึงจะไปได้ถ้าได้แค่สมาธิยังไปไม่ได้สมาธินี่ไม่ได้เป็นผู้ที่จะนำพาจิตใจให้เข้าสู่โล ก, กุตรธรรมธรรมที่เหนือโลกธรรมที่หลุดพ้นจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติก็จะติดอยู่ขั้นขั้นสมาธิเท่านั้น เหมือนกับช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญตอนนั้นก็ไม่มีไม่มีใครรู้ปัญญาของการหลุดพ้นว่าเป็นอย่างไรทุกคนก็มาติดอยู่ที่ขั้นสมาธิกันพระพุทธเจ้าไปเรียนกับอาจารย์รูปไหนท่านก็สอนได้แค่ขั้นสมาธิกันพระองค์เลยจ้องไปศึกษาค้นคว้าหาขั้นปัญญาด้วยพระองค์เองเพราะขั้นสมาธิยังไม่สามารถที่จะ ดึงจิตให้ออกจากวัฏตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะเวลาออกจากสมาธิมาใจก็จะทุกข์ทันทีเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เลยต้องหาวิธีทํำยังไงไม่ให้ทุกข์เวลาออกจากสมาธิมาก็ไม่มีใครรู้พระองค์เลยต้องค้นคว้าหาด้วยพระ อ, องค์เองจนในที่สุดก็ได้พบในวันเพ็ญเดือนหกได้พบว่าความทุกข์ ของพระ อ, องค์ของสัตว์โลกนี้เกิดจากตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาและการจะกำจัดกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็ต้องกำจัดด้วยปัญญาให้เห็นว่าการทำการทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขเพราะสิ่งที่อยากได้นั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไป เวลาได้มาก็เป็นความสุขพอเวลาหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็จะไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จากการไปทำตามความอยากมีทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือต้องไม่ทำตามความอยากต้องเห็นว่าการทำตามความอยากนาไปสู่การการมีความทุกข์นั่นเองก็เลยหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็หายทุกข์ หลุดพ้นเป็นขั้นขั้นไปพระโสดาบันก็หลุดพ้นขั้นของพระโสดาบันพระโสดาบันก็มีความอยากของขั้นพระโสดาบันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพระสกิรดาคามีก็มีความอยากในในในรูปของผู้อื่นยังอยากร่วมหลับนอนกับผู้อื่นอยู่ยังเห็นว่าสวยว่างามว่านะหล่อเราอยูอ่ก็ต้องพิจารณาดูความไม่สวยไม่งาม พอเห็นไม่สวยไม่งามความหลงก็หายไปถ้ารู้ว่าไปนอนกับผีมีใครอยากจะไปนอนกับผีมัง้งอยากคิดว่าไปนอนกับเทวดานางฟ้ากันเนะี่ยถึงไปยอมนอนด้วยลองไปดูพิจารณาเทวดานางฟ้าให้กลายเป็นผีดูพอเห็นว่าเป็นผีแล้วก็ไม่อยากจะนอนด้วยนะเกิดเขาตายไปวันนี้ยังจะเก็บเขาไว้อยู่หรือเปล่ากิดแทนตายวันนี้ยังจะเก็บไว้นอนด้วยกันเปล่า ทำไมเวลาไม่ตายถึงนอนด้วยกันได้มันก็คนเดียวกันไม่ใช่เหรอเพราะเราไม่คิดเองไม่คิดว่าเขาก็เวลาตายไปแล้วเขาก็กลายเป็นผีไปอันนี้ถ้าเราคิดบ่อยๆพอเห็นเขาแล้วแทนที่จะอยากนอนกับเขาก็อยากจะหนีอยากจะนอนคนเดียวไม่อยากจะนอนกับผีอีกต่อไปพระสะกีดาคามีก็ทำได้ให้ทำให้การอารมณ์นี้เบาบางลงไป แต่ยังไม่หมดบางเวลายังเผลอยังคิดไม่ทันยังไม่ได้คิดว่าเป็นผียังคิดว่าเป็นเทวดานางฟ้าอยู่ก็เรายังอยากจะนอนกับเขาแต่เวลาใดที่คิดว่าเขาเป็นผีก็ไม่อยากจะนอนอก็ทําให้มีเบื่อเบื่อยากอยา ก, ยากแต่ยังยังไม่หมดความอยากจะหมดก็ต้องเป็นพระอนาคามีที่จะเห็นว่าเป็นผีตลอดเวลา เห็นร่างกายเป็นอสุภะตลอดเวลาไม่น่าดูไม่นา่นาช ม, มก็จะสามารถเลิกความอยากทางการอารมณ์ได้นี่คือขั้นตอนของผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยปัญญาปัญญาจะมาสอนจิตให้ปล่อยวางความอยากต่างๆกานพาอาหารกห้ปล่อยวางความอยากการหาความสุขจากภายในจิตเองภายในความสุขภายในจิตก็ไม่เที่ยง เ, เป็นทุกข์เหมือนกัน ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันถ้าไปติดกับความสุขในจิตเวลาจิตเสื่อมลงเวลาจิตจิตไม่จิตไม่ให้ความสุขก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าพิจารณาว่าเป็นทุกข์เหมือนกับร่างกายก็อย่าไปยึดอย่าไปติดปล่อยวางก็จะไม่ทุกข์กับอารมณ์ของจิตอีกต่อไปก็จะสามารถหลุดพ้นจากความอยากทั้งต่างได้หมด เมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ภายในใจอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อมีศรัทธาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วได้สัมผัสกับผลก็จะเริ่มปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปจนปฏิบัติเต็มรูปแบบแล้ว แบบ พ, พระิพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันสละทรัพสมบัติเก้าของเงินทองแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชกันไปบวชกันไปถือศีลไปเจริญสติสมาธิปัญญากันแล้วพอได้ขั้นปัญญาก็สามารถที่จะมาทําลายกิเลส ท, ที่เป็นตัวผูกจิตให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดทาลายไปทีละขั้นทีละขั้นจน ถึงขั้นสูงสุดพอทําลายได้หมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดึงจิตให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไปจิตก็หลุดพ้นอย่างถาวรนี่นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เราพิจารณาว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเรามีศรัทธาแล้วเราเริ่มปฏิบัติหรื อ, อยังถ้าเรายังไม่เริ่มปฏิบัติเราควรที่จะ หาเวลามาปฏิบัติกันเช่นปีใหม่นี้หยุดสี่วันลองมาหาที่ปฏิบัติกันดีกว่าถ้าไม่มีที่ก็อยู่ที่บ้านก็ได้คงยบอยู่บ้านกลับจะดีเพราะคนอื่นเขาคงไปเที่ยวกันหมดอยู่บ้านคนเดียวเราก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้อขอให้ปฏิบัติเถิแถ้าลองปฏิบัติแล้วโดยเฉพาะปฏิบัติที่ถูกต้องสิ่งที่ควรปฏิบัติที่สาคัญที่สุดก็คือการเจริญสติก ขอให้ควบคุมความคิดให้ได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปทั้งวันหรือด้วยการดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทุกเริยาบทอย่าปล่อยให้คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบได้ง่ายได้เร็วแล้วพอสงบแล้วก็จะติดใจจะเกิดกําลังใจจะเกิดอิทธิบาทสี่ขึ้นมาพอมีอิทธิบาทสี่แล้วก็ไม่มีอะไรจะมายับยั้งการปฏิบัติ อย่างเต็มรูปแบบได้เมื่อปฏิบัติเต็มรูปแบบได้การบรรลุมรรผลนิพพานก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนอยิงขอให้พวกเราพยายามพัฒนาการปฏิบัติของเราขึ้นไปเรื่อยๆเราอยู่ตรงไหนเราต้องไปจากตรงนั้นก็ควรที่จะขยับขยายกันอย่าติดอยู่ที่เดียว ฟังเทศฟังธรรมกันมาเป็นสิบปีก็ฟังอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนต่อแล้ว เ, เมื่อไหร่มันจะไปกันะเมื่อฟังแล้วก็ต้องออกปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมันก็จะปฏิเวทมันก็จะเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นม า, าก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาธรรมดังนั้นตอนนี้ถ้าใครมีคำถามก็เชิญถามได้ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะใหะ้ผู้ที่ฝากคำถามมาทางบ้านถามก่อนหรือมีก็ถามได้ อนุญาขอเรียนถามต่อะอ่ในการปฏิบัติภาวนานี้ถึงจุดหนึ่งควรจะต้องพิจารณาอัศาะกรรมฐ า, านหรือป่คะคืะคอการปฏิบัติขั้นตอนนี้เราต้องการสร้างฐานของจิตก่อนคือสมาธิฉนั้นพยายามใช้สติให้มากๆเพื่อที่จะได้หยุดความคิด เมื่อหยความคิดเวลานั่งสมาธิมันจะสงบง่ายและจะสงบได้นานพยายามฝึกสมาธิจนเรามีความชํานาญในการเข้าออกเข้าสมาธิเราต้องการจะนั่งสมาธิเมื่อไหร่เราก็นั่งได้ <c oughs> เวลาจิตใจเราวุ่นวายเราต้องการให้มันสงบเราก็ไปนั่งได้เลย <c oughs> ถ้าเรามีความชนานาญแล้วขั้นต่อไปท่านก็สอนให้เราพิจารณาสิ่งที่เรายังมีความผูกพันอยู่นะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราก็ต้องพิจารณาสิ่งนั้นซึ่งส่วนใหญ่ในขั้นตอนนี้เราจะติดในลาบยศสรรเสริญสุขกัน<ม>เราก็พิจารณาให้เห็นว่าลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะปล่อยได้<ม>เราก็จะเลิกหาลาบยศสรรเสริญแล้วขั้นต่อไปพอเราปล่อยนั่นได้เราก็ต้องมามามาปล่อย การยึดติดในร่างกายของเราก่อนเรายังรักตัวกลัวตายอยู่เราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะทุกข์กับมันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้อันนี้ขั้นต่อไป เราขั้นต่อไปเราถึงจะมาพิจารณาอสุภะถ้าเรียงลําดับตามที่การบรรลุอริยมรรคผลนิพพานท่านท่านเป็นอย่างนั้นพระโสดาบันจะปล่อยวางร่างกายก่อนปล่อยความรักตัวกลัวตายก่อนแล้วถึงก็ไปปล่อยความรักความทางการอารมณ์ก็ตอนนั้นถึงต้องพิจารณาอสุภะคื อ, ค อ, อ, อวิธีการที่ยมใช้มาตลอดคือ ออพอจิตสงบก็ก็ดูจิตค่ะดูว่ามันวิ่งไปไหนแล้วพยายามดึงกลับไปที่เดิมแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งซึ่งเห็นไตรลักษณ์ของจิตแต่ว่าไม่ไม่ถนัดในการพิจารณากายเลยจ้ะค่ะคือเราไปเราไปทําเรื่องที่ยังไม่ต้องทํำเรื่องที่เราต้องทําเรายังไม่ทำเราตอนนี้เรายังติดอยู่กับราบยศเสนีสอยู่ว่าปะ เราปล่อยได้ไหมเราไม่มีเงินทองเราอยู่แบบคนยากจนได้หรือเปล่าเราไม่มีตําแหน่งไม่มีหน้ามีตาเราอยู่ได้เปล่าไม่มีคนสรรเสริญเยินยอเราเราอยู่ได้หรือเปล่าอันนีเเ้เราปล่อยอันนี้ก่อนเรื่องจิตมั น, ม, นมันเรื่องที่มันดีกว่าแล้วซึ่งเราดูเราก็ปล่อยมันไม่ได้เรายังไม่เข้าใจาเราไปเราดูจิตเพื่อปล่อยอะไรเลย เราใจไหมเราต้องการปล่อยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เป็นไตรักเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาที่ทําให้เราทุกข์กันถ้าเราปล่อยได้เราจะไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเราจะปล่อยการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เช่นวันหยุดสี่วันว น, นี้เราจะไม่คิดไปเที่ยวเลยเราจะคิดไปวัดไปอยู่ปฏิบัติธรรม นมส ก, การหลวงพ่อค่ะเขาการเรียนถามถึงวิธีคือตอนนี้คุณแม่ป่วยนอนติดเตียงอยู่อะค่ะหนึ่งปีสี่เดือนกว่าแล้วตอนนี้ก็พยายามที่จะทดแทนมาคุณแม่ทั้งด้องการดูแลทา ง, งกายแล้วก็ทางใจอะค่ะอยากจะเรียนถามว่าจะมีวิธีที่แบบทำบุญให้คุณแม่ให้คุณแม่ได้รับอย่างไรบ้างค่ะ ตอนนี้หนูก็พยายามทำบุญให้แม่ดุกว่นแล้วก็แพ่เมตตาพาแม่สวดมนต์ทางเช้าแล้วก็เย็ น, นะคะก็ทำได้เท่านั้นแหละก็บุญนี้ต้องทำเองบุญทำให้กันไม่ได้ยั น, นถ้าพาแม่สวดมนต์ได้ก็ก็เป็นการเป็นการทำบุญแบบหนึ่งถ้าแม่มีเงินทองของแม่เองแล้วแม่อยากจะทำบุญใส่บาตรื้วย บ, บุญจาก หนูก็เอาไปบริจาคให้แม่อย่างนี้แม่ก็จะได้แต่ถ้าเป็นเงินของหนูแล้วหนูทำให้แม่นี้แม่ไม่ได้มันต้องเป็นเงินของแม่เองงั้นก็ชวนแม่เวลาหนูบอกจะไปทำบุญแม่อยากจะทำบุญไหมถ้าแม่อยากจะทำบุญแม่ก็ฟักเงินของแม่มาให้หนูหนูก็ไปทาบุญนี่ก็จะได้บุญก็ทาได้เท่านี้พระเจ้าถึงบอกว่าให้ทำก่อนที่เราเป็นอะไรไง จะได้ทำได้มากๆจะได้ปฏิบัตินั่งสมาธิจะได้เจริญปัญญาจะได้หลุดพ้นได้แต่ถ้าไปรอตอนที่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ลาบากนอกจากว่ามีคนไปสอนให้แม่ภาวนาหนูภาวนาสอนให้แม่ภาวนาได้ไหมล่ะสอนให้แม่พุโทโธพุโทโธอย่าคิดอะไรทาใจให้สงบแล้วสอนให้แม่พิจารณาร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวแม่ แม่ไม่ได้เป็นร่างกายแม่เป็นใจแม่เป็นเจ้านายของร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นเหมือนคนใช้ของแม่แม่อย่าไปยึดติดมันมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าสอนแม่ให้ปล่อยวางร่างกายได้แม่ก็จะบรรลุเป็นโสดาบันได้เหมือนพระพุทธเจ้าไปสอนพ่อให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตอนที่ไม่สบายเจ็ดวันก่อนจะตาย ก็ทำได้เท่านี้แต่ถ้าหนูยังทำยังสอนตัวเองไม่ได้หนูก็หงไปหงสอนแม่ไม่ได้ <c oughs> ต้องสอนตัวเองให้ได้ก่อนต้องรู้ว่ า, าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปยึดไปติดมันเราจะทุกข์ถ้าปล่อยแล้วจะไม่ทุกข์ปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายใจกับมัน <c oughs> เมื่อวานี้ก็หลวงพ่อบุญมีธรรมระดูค่ะเม่ตาไปเยี่ยมแม่ทา่านก็ทำน้าให้แม่ค่ ะ, ะให้แม่ปล่อยวางก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปเทศไปสอนด้ให้แม่อก็ทําได้เท่านี้แหละค่ะ ข, ข, ข, ขอบคุณมากค่ะคําถามจากทางบ้านจากคุณอารีสติทางสมถะกับสติทางวิปัสสนาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ อสตินี้มันตัวเดียวกันแต่จะไปใช้ในทางสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้ถ้าเราไม่มีสติเห่นเม า, าสุราเนี่เราจะมาพิจารณาร่างกายไม่ได้พิจารณาเหตุผลต่างๆไม่ได้ต้องมีสติยนันเราสามารถใช้สติในการทำใจให้สงบก็ได้ถ้าจะทำใจให้สงบก็ให้สติควบคุมให้ใจอยู่กับอารมณ์เดียวไม่คิดอะไรใจก็จะสงบเป็นสมาธิ ถ้าจะเอามาใช้ทางปัญญาก็เอาสติควบคุมความคิดให้คิดไปในทางไตรลักษณ์ให้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอันนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาต้องมีสติเป็นผู้กากับถ้าไม่มีไม่มีสติเดี๋ยวกิเลสมันจะดึงไปคิดถึงขนมนมเนยคิดไปถึงที่เที่ยวที่เล่นที่กินกันมันก็จะไม่พิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตากันคาถามจากคุณปริญญา ผมกับเพื่อนเริ่มฝึกหัดนั่งสมาธิได้ความรู้จากฟังเทศหลวงตาประจำผมแนะนำเพื่อนเริ่มจากทานศีลสมาธิก่อนอื่นแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนฝึกแบบไหนอย่างไรบ้างผมแนะนาเพื่อนถูกไหมครับผมได้ความรู้จากเพื่อนคือดูตัวเองให้มากๆภายนอกภายในขอพระอาจารย์แนะนาด้วยครับก็ คือเขาจะปฏิบัติยังไงนี่มันก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์สอนยังไงเราก็บอกเขาไปถ้าสิ่งที่ครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าส่งสอนเหมือนกับสิ่งที่เขาปฏิบัติก็ใช้ได้ที่มันคําว่าพูดศินสมาธิปัญญานี่มันเป็นคําพูดที่รวมๆ ม, มันยังไม่ได้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดยิ่ยงเวลาที่เขาพูดว่าเขาดูตัวเขาเองนี่ มันก็ถูกในลักษณะหนึ่งแต่ดูแบบไหนก็ต้องถามรายละเอียดกันไปที่ก่อนคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งเวลาเราบริกรรมพุโทโธขณะที่เรานั่งสมาธิเราสามารถบริกรรมช้าบ้างเร็วบ้างหรือหยุดพักคําบริกรรมบ้างได้ไหมคะเวลารู้สึกเหนื่อยคะ่ะได้ถ้าเราไม่คิดอะไรเราก็หยุดบริกรรมได้ การบริกรรมนี้ก็เพื่อไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ใจเราไม่สงบที่ทำให้ใจเราวุ่นวายพอเราบริกรรมแล้วมันหยุดคิดเราก็หยุดบริกรรมได้ก็ให้รู้ไปเฉยๆเราดูลมต่อแทนก็ได้ถ้าเราเหนื่อยไม่อยากจะบริกรรมเราก็ดูลมหายใจแทนเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆ คำถามจากคุณอยู่เย็นปฏิบัติกรรมฐานหลังจากเลิกนั่งขาข้างซ้ายชาไม่หายมาสองเดือนเมื่อวานนั่งเดินอย่างละชั่วโมงแขนข้างขวาที่เคยปวดและอาการดีแล้วกลับมาปวดอีกก็กำหนดตามอาการพอออกจากการปฏิบัติประมาณสามสี่ชั่วโมงถึงจะหายจากปวดสาเหตุเพราะอะไรคะ ก็มันมีหลายหลายอย่างบางส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสังขารความไม่เที่ยงแน่นอนเท่งแท้แน่นอนไม่นั่งสมาธิมันก็เปิลได้หรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะการนั่งสมาธิมีเป็นมีส่วนที่ทําให้มันเป็นก็ได้อันนี้ก็เราต้องพิจารณาแยกแยะไปว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ คำถามจากคุณอดิสรข้อหนึ่งการนั่งสมาธิแล้วกําหนดพุทโธแต่จิตวอกแวกไม่นิ่งบางวันก็นิ่งสงบหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งบางวันก็ไม่ชั่วโมงก็อยากออกจากสมาธิเนื่องจากมีเวทนามากจะทำอย่างไรถึงจะสงบและนิ่งได้นานๆครับก็ต้องเจริญสติให้มากๆก่อนที่จะมานั่งคอยควบคุมความคิดตลอดเวลาอย่าปล่อยให้คิด วันไหนถ้าเรามีงานทำมากมีเรื่องมากคิดมากวันนั้นเวลานั่งสมาธิาจะรู้สึกว่าสงบยากวันไหนที่งานน้อยไม่ต้องคิดมากนีเวลานั่งสมาธิมันจะสงบง่ายกว่าอย่างนั้นการทำงานนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุที่ทำให้การนั่งสมาธิาของเราได้ผลดีหรือไม่ได้ผลดีคนที่อยากจะได้ผลดีจึงมักลาออกจากงานอ like. <จ>ย่างใจ<ย> จ, <ย>จะได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องทางานเรื่องงานเรื่องการ จะได้มีเวลาคอยควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆคนที่เขาไปบวชกันกเพราะเขาไม่อยากจะคิดเรื่องงานเรื่องการกันเขาอยากจะหยุดความคิดก็เลยไปบวชไปบวชนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมีเวลาควบคุมใจให้หยุดคิดได้ง่ายกว่าแล้วพอเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้นานกว่านั่นนิ่งได้เร็วกว่า ข้อที่สองบางครั้งเมื่อจิตนิ่งเป็นสมาธินึกแผ่เมตตาให้พ่อแม่ญาติที่ล่วงไปแล้วและเจ้ากรรมนายเวรมีอาการขนลุก อาการที่เกิดขึ้นคืออะไรและท่านเหล่านั้นจะได้รับอานิสงค์หรือไม่ครับไม่ได้หรอกการแผ่เมตตาต้องแผ่ต่อหน้าเข า, ยาเยไวลาเจอกันก้าวขนมให้เขากินเขาเรียกว่าแผ่เมตตาหในเวลาแม่ไม่สบายก็ไปคอยดูแลเลี้ยงแม่อย่างนี้ตอนนั้นแหะแผ่เมตตาอนเวลาเรานั่งสมาธิอยู่คนเดียวไปแผ่ให้ใครมันไม่ได้แผ่เป็นความเข้าใจผิดเนี่ย ไม่รู้ใครสอนมาตั้งไหนก็ทุกไลน์มาถามปัญหานี้เหมือนกันหมดเลยนั่งสมาธิปับ๊บปับเสร็จเราจะแผ่เมตตา ท, าทันทีมันนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครมารับการแผ่ของเราสักคนต้องแผ่ต่อหน้าสิเวลาเจอเพื่อนหรือเจอใครเขาด่าดเราก็สาธุยกมือไหว้เขานี่เรียกว่าแผ่เมตตาคือไม่ไปโกรธเขาไม่ไปเกลียดเขาไม่ไปด่ากลับนี่เรียกว่าแผ่เมตตาหรือช่วงปีใหม่นี้ ก็ส่งสกสไปสซื้อของขวัญไปให้กันความพ่าแผ่เมตตาก็คือให้ความสุขต่อกันไม่เบียดเบียนกันไม่มีเวรมีกรรมกันถ้าเราอยู่คนเดียวนั่งสมาธิเราจะไปแผ่ให้ใครใช่ไหมที่เขาให้แผ่นั้นเขาไม่ได้แผ่เขาเรียกว่าให้ให้เรียนให้หัดแผ่ให้รู้ว่าการแผ่เมตตาเป็นอะไ ร, ว เ, ระ เ, ะเวลาเราสวดสัพเพสัตตาอเวราหอนตัวนี้เราต้องเข้าใจความหมายว่าหมายความว่ายอย่างไร หมายความว่าเราอย่าไปมีเวรมีกรรมกับใครนะ เ, เวลาใครเขาด่าเราเราก็อย่าไปด่ากลับ เ, เวรย่อมไม่ละงับด้วยการจองเวรเวรย่อมละงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเขาด่าเราเราเฉยเฉยเสือเดี๋ยวเขาเมื่อยปากเขาก็หยุดด่าเองแล้ว เ, เ, เขาก็ไม่กลับมาด่าเราอีกเพราะก็รู้จะดา่าทําไมด่าจนเมื่อยแล้วเราก็ไม่ทำใช่ไหมแต่ถ้ า, า, าก็ด่ากลับเราดา่าเขาด่ามาเราด่าไปมันก็มันปากัเลย ออย่างนั้นเรียกว่าไม่แผลเมตตาแล้วเวลาทะเลาะกันนี่เรียกว่าไม่แผลเมตตาเวลาทะเลาะเวลาไม่ทะเลาะกันเนี่ยเวลาเขาดา่าแล้วเราเฉยอย่างเงี้ยเราไม่ตอบโต้อย่างเงี้ยเรียกว่าแผลเมตตาคุณพ่อข้าเลยประมาณแปดแปดข้อใช่ไหอคะเวลามันจะหมดแล้วพอดีวันนี้ยกไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะส่วนทางบ้านก็ขออภัยด้วยนะวันนี้มีญาติโยมมากมา ก, ก็เลยมีคนถามปัญหา